การบริหารจัดการก็ดูเหมือนจะเป็นการวางระบบที่ในส่วนตัวนี้ที่ว่าดูดูกระชับดูรับรู้ร่วมกันดูมีส่วนร่วมร่วมกันและแต่ละฐานงานก็จะมีการประชุมอย่างสม่ําเสมอยกตัวอย่างเช่นท่านอยู่ฝ่ายสุขภาพเนี่ยนะคะเราจะประชุมกันทุกอาทิตย์เลยนะคะโดยมีท่านสมณะสองท่า น, นะคะท่านสมณะดงเย็นและถ้าอีกท่านหนึ่งจําไม่ได้คะ่ะเพราะฉะนั้น ทุกสถานการณ์เราก็จะมีการปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเพราะเป็นยุคสร้างบ้านเปล่เมืองในระยะแรกนะคะโดยสรุปแล้วก็คือโดยหลักการแล้วนะคะกรรมการกลางที่ว่ากรรมการชุมชนเนี่ยจะต้องประกอบด้วยทัศนสนศิขมาต์นะคะและทุกครั้งเพ่อท่านก็จะมาเป็นประธานใหญ่นะคะที่จะรับรู้เรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนแต่กรรมการชุมชนเนี่ยคะ่ะจะประกอบด้วยสิ่งที่เป็นบุคคลที่เรียกว่า key person ในแต่ละฐานงานนะคะ นอกเหนือจากท่านสมนาศแล้วก็จะคือบุคลากรที่เป็นผู้คักแนจริงๆค่ะที่จะรับรู้องค์ประกอบในฐานงานนั้นๆเช่นในส่วนสุขภาพในยุคนั้นดิฉันก็เป็นตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการชุมชนเป็นต้นนะคะอันนี้ก็ขอเรียนเสิร์ฟค่ะก็ ข, ขอเสนอพี่พี่ต้องการให้มีตัวแทนจากทุกซึ่งมีอยู่แล้วไหมครับ ดิฉันไม่ไม่แน่ใจว่าขณะดนี้ครบถ้วนหรือไม่นะคะแต่โดยหลักการน่าจะครบท้วนค่ะควจะมาจากทุกกลุ่มเข้าไปใช่ค่ะเราก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอยู่ในนี้นะที่เป็นชุมชนที่อุบลนี้นะครับมันถึงจะเป็นการครบถ้วนสมบูก็มันจะเป็นว่าทุกกลุ่มจะได้พอวันมีอะไรก็จะได้รู้กันหมดใช่ค่ะเป็นขั้มการชุมชนใช่ค่ะมีข้อเสนออื่นไหมครับนี้ยังไม่ต้องตัดสินใจนะครับเป็นปอะไรระดมเล่นเล่นเดี๋ยวสัก15นาทีก็แปดโมงครึ่งก็ผมคิดว่าพอเพียงไหมครับ อีกประเด็นด น, นึ่งทําการนี้จะทำหน้าที่ทั้งติดตามแล้วก็ด้วยนะครับแล้วก็ประสานงานเพราะว่าแต่ละแต่ละฐานนี้เขาอิสระจากเขาเพราะว่าเขาเขาเข า, เขาะจะนโยบายของเพราะท่านเป็นนโยบายใหญ่ใช่ไห<ช><ช>ม<ช><ช>ครับ<ช>แต่นี้เขาไปวางเรื่องรงสีอย่างที่คุยกันมาเนี่ยใช่ไหม<ช>ครับใช่ค่ะแต่ว่าเวลาวการสื่อสารเออวันนี้แพ็กกิ้งเยอะกระสอบเยอะถุงเยอะจะขนาด5้กิโลกิโลมันต้องประสานงานกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยว ทุกคนบอกเอ้ยน้าท่วมรีบไปกัลึกษาบอกฉันจัดตารางสอนไว้แล้วทุนดึงไปอย่างเงี้ยมันต้องมีการสื่อสารกันสูงมากทั้งการประสานไงคือการสื่อสารแล้วก็ตกลงกันว่าจะอะไรก่อนหลังหรือจะเลิกไม่ทําเพราะไม่งั้นเมาหมัดแน่ถ้าจะหมัดเมาก็คือต้องจัดลําดับความสําคัญใช่ไหมครับว่าอะไรอะไรเข้าเป้าอ ะ, อะไรเร่งด่วนกั น, กนซึ่งผมไม่รู้แต่ว่าถ้าไม่จัดลำดับความกันแล้วก็ไม่ตัดสินใจร่วมกันเนี่ยมันก็จะเกิดเมาหมัด เพราะว่าท่านคณะกรรมการชุมชนนี่นะครับจะเป็นอะไรที่เป็นเหมือนกับทีมนโยบายหลักของชุมชนเลยของเมืองนี้เมืองนี้เลยเมืองราชธานีอโศกเลยนะคะที่จะโยงนโยบายนั้นลงไปเป็นแบบลูกโซ่นะคะไปสู่ฐานงานผ่านตัวแทนผ่านท่านสมณะคะได้แท่นทางของคารวะได้ท่านนักรับเพราะฉะนั้นคือมีสมณะและพ่อท่านอยู่ตรงกลางแล้วก็มีทุกส่วนเข้ามานะครับแล้วกรรมการครับ ก็อันนี้มีข้อเสนอื่นไหมครับก็นี่ไงการศึกษาเนี่ก็มันทุกระดับน4ระดับเนี่ยที่เราพูดพระวบรนีระดับโลกกุตละนั้นเดียวการสาระดับอื่นเขาจะว่าเอ๊ะเขาไม่มีตัวแทนเพราเราต้องพูดระิสระดับนะครับก็อันนี้ก็คือตรงนี้ก็ต้องเรียกตัวแทนขึ้นมาอาจจะไม่ต้องประธานก็ได้ใช่ไหมก็พอเข้ามาประสานเพราะว่าคนที่ประสานต้องฉับไวหน่อยแล้วก็ ในเชิงที่จะรู้จักจัดลําดับความลำแข็งรู้จักว่าอะไรก่อนอะไรหลังหรือไม่ทําก็ไม่ตายทําถ้าไม่ทําเราตายอันนี้ต้องรู้จักเลือกใช่ไหมครับอย่างที่เราคิดลุกลับเลืกหรือเราก็เลิกหมันคนคนนี้ก็ต้องช่วยตัดสินใจในกลุ่มเนี้ก็มีข้อเสนอไหมครับไม่มีผมคิดว่าวันนี้ก็ได้พอสมควรแล้วเห็นไหมครับสม ว, ว่านี่เราเราทดลองที่จากลงสีเท่านั้น พอลงสีคลี่ตัวเองได้ชัดว่าปัญหาอยู่ที่ไหนบ้าง อ, อ๋อแล้วก็มีการค้ น, คนพบประเด็นใะไนตลาดมีพบพบว่าตลาดมีสองประเด็นที่พอค้นหาสีข่ามีเรื่องล้ำเรื่องแก่พอเราคลี่ออกมาจนกระทั่งถึงบุญนิยมปับ๊บทุกคนก็ต่อยอดได้ต่อยอดประเด็นที่1ก็คือว่าเอาของเขากันต่อยอดก็คือว่าพอตลาดพูดในตลาดไม่ได้คุยเรื่องสีรู้รู้เลยเพร่อลงสีไม่ได้พูดว่าลงสีจะเป็นสื่อเรียนรู้ก็กลายเป็นสื่อเรียนรู้ขึ้นมาพันลงสี ก็คือแหล่งให้ความรู้ทั้งในและนอกใช่ไหมครับฝ่ายฝ่ายการศาึกษาก็เห็นว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญซึ่งทําอยู่แล้วนะแต่ว่าต้องทําให้เข้มและต้องให้ตารางตั้งเรียนกันการเรียนการสอน ก, กับการงานในไปด้วยกันแล้วการที่เอาแรงกันการตุ่มโฮมกันเนี่ก็เป็นประเด็นที่ว่าจะตุ้มโฮมกันอย่างไรแต่ที่สําคัญพอข้างนอกจะมาเสริมฟะยกไล่จากฝ่ายสื่อก็คือสื่อนี้ก็คิดว่าเอ๊ะอย่างงี้ฉันเอาเอาข้าวเธอมารณรงค์คุณค่าเลยไม่ใช่มา ช่วยขยายโฆษณาเพราะเราเป็นตลาดอะไรครับตลาดอายยะตลาดบุญนิยมก็คือว่าต้องให้ข้าวของเรานี่เป็นไ ป, ไปเรื่องคุณค่าคุณค่าก็พอกบุมอื่นมาเสนอก็ได้คุณค่าถึง3ตัวคุณค่าใหญ่คื อ, คอเรื่องบุญนิยมนะเรื่องขายเรื่องข้าวเราไม่ได้ขายเพื่ออิ่มท้องขายเรื่องชีวิตเพราะนต้องข้าวต้องไม่ตายก็ต้องไม่ใช้สารเคมีก็จะได้สุขภาพนะมันก็คุณค่าที่เล็กคุณค่าใหญ่แต่ประเด็นสื่อเห็นเป็นโอกาสทําให้ ข้าวกลายเป็นที่เรียนรู้แล้วก็เป็นที่ยกระดับคุณค่าอันนี้ซึ่งอโศกก็ทําเยอะแต่ว่าเป็นวิธีประสากนการพัฒนสื่อก็จะมาล ง, ลงมาทําเนื้อหาออทั้งการแปลงข้าวก็มาคิดแปลงสาธิตแล้วก็มีสูตรให้เป็นสูตรเรียนรู้ที่ใกล้คนกินแล้วก็มีสูตรเรียนรู้ที่ใกล้คนปลูกทั้งในอาโศกทั้งนอกอโศกแล้วในอโศกก็มีข้อเสนอว่าต้องทําให้จริงจากฝ่ายกสิกรรมนะครับแล้วก็ฝ่ายกสิกรรมก็บอกว่าเอ้ยปัญหามีเยอะประเด็นพวกนี้ต้องให้ฝ่ายการศึกษา ม, มาช่วย ก็เอาเด็กไปลงนาได้ไหมครับฝ่บายพนบอลไปลงได้ไหมยัยงโจทย์หญ้าโจทย์ไรเนี่ยคุณลุงก็มีความรู้คําตอบเฮ้ยบอกไอ้หญ้าบนานาล้วก็มักจุลินชีย์มันทั้งนานเลยเห็นไหมครับก็เป็นความรู้ยี่ย้อนไปยี่นมาได้เห็นไหมครับก็เชื่อมโยงกันได้อีกต้องจากจช่วยลงตัวลงศีความรู้ก็ไปช่วยชาวนาได้ทั้งในและนอกนะครับนี่ก็เขาเสานอพวกเราห้องกลัวก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาประเด็นนี้การจะเห็นว่า3ตัวนี้เราเชื่อมกันแล้วเรื่อง fm เรื่องบอนบอเรือร่องการศึกษาแล้วก็เรื่องชาวนาแล้วตรงนี้เรื่อกลงไปอีกก็คือเราจะต้องตั้งของตัวเราเองเนี่ยให้เป็นศูนย์สาธิตทั้งลงสีทั้งข้าวทั้งทั้งปุ๋ยทั้งอะไรทั้งแปลงเกษตรเนี่ยถ้าเราเห็นว่าพ่อคำเดืองทาอยู่ข้างนอกเรามีเยอะแยะเลยตอนนี้มีเป็นร้อยนะครับจริงบ้างไม่เทียมบ้างแต่ที่อโศกต่างอะไรครับพราะมีเรื่องบุญนิยมใช่ไหมครับคนอื่นมีเรื่องเทคนิคแค่นั้นเองแต่เรามีองค์ความรู้ถึงบุญนิยม คำว่าคำว่านำมาทำนี่น้อยคนจะเข้าถึงมันอาศก็ทําเป็นศูนย์รู้ให้เห็ น, นว่าเรื่องคุณค่าใหญ่ของเราคืออะไรคุณค่ารองคืออะไรตอนี้หงกูร์ ก, ก็ทําได้อีกหองกูร์ ก, ก็บอกว่าการบริการทั้งชีวิตเนี่ยก็เข้าไปเสริมแล้วก็ต้องจัดระบบตัวเองเหมือนกันเพราะการขนส่งการบริการหรือการบริการทางสุขภาพหรือการบริการในอนาคตก็อาจจะขยับออกจากห้องกูร์ ก, ก็ได้นะครับออกจากทุกอาศรก็อย่างที่มันออกไปได้แล้วคือออกไปด้วยด้วยด้วยอะไรต้องต้อ ง, ต, องต้องหาบทเรียนนะครับว่าไอ การดูแลสุขภาพที่อโศกเป็นต้นแบบเนี่ยโดยไม่รู้ตัวเนี่ยคือเรื่องการล้างตับล้างไต น, นะครับการยืด อ, อายุไขเรื่องสุขภาพเนี่ยเรื่องอาหารอาหารที่จะเข้ามาใหม่คืออาหารสุขภาพมันจะออกไปยังไงในในเรื่องการบริการเมืออถ้าเราคิดเรื่องบริการนี่ในใ น, ในอโศกใช่ไหมครับน อ, อกอโศกให้คู่กันก็ข้าวเราทําให้เป็นสินค้ากลายเป็นคุณค่าได้เพราะฉะนั้นการบริการแล้วก็เป็นคุณค่าที่อโศกทำอยู่แล้ว มือนการบริการนอกอาศกเราจะให้ยังไงคนนอกพี่ชิวัตเสนอให้คนนอกเข้ามาในอาศกมารับบริการไม่อย่างผมเนี่ยเราก็ทําไม่ใช่ผมคนอื่นก็จะเริ่มรู้จักชาวอโศกมากขึ้นแล้วติดอกติดใจเรื่องคุณค่าใหญ่ของขอโศกมากขึ้นอนนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่วันนี้เราเห็นการลอยไหมครับถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้จากโลงสีเป็นงานแต่ละฐานได้ไหมครับแล้วก็ผัดกันลอยไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูต้องเป็นใหญ่เพราะพราะท่านบอกว่าแสนตันต้องเป็นโลงสีเท่านั้นแต่ติดบกัน เพราะว่าลุงศรีเอ้ยถ้าทางนี้เห็นเรื่องของลวงศรีบอกว่าเออถ้าเรื่องกสิกรรมบอกเอ้ยเรื่องนี้ต้องแก้เว้ยก<ๆ>็ลุงศรีก็ต้องปรับตามเห็นไหมครับทำไมมันก็มันก็ผัดกันเป็นเป็นแกนแล้วก็ผัดกันเสียบต่อยอดต่อข่าเข้ามาต่อคุณค่าเข้ามาต่อการโฆษณาเข้ามาต่อความรู้เข้ามาต่อการลุกลุกไปหาชาวนาใช่ไหมครับเอาทางนี้ก็เข้าไปเสริมได้แล้วก็บริการก็ ความจริงออกไปนอกอระสุกเยอะแล้วก็ต้องคิดถึงการบริการภาพองค์รวมส่วนการบริการภายในเช่งขนส่งผลเส่งก็ต้องที่ตามกันอย่างเรื่องรถนี่พอดีคน เ, เรื่องขนส่งก็บอกว่าเออขนส่งมันต้องรับใช้ทุกคนแต่พอมันเยอะๆเข้าจะทํำยังไงก็ต้องจัดระบบตัวเองแล้วก็ไปเสียบเขาแล้วก็ในขณะทุกคนจะเข้ามาเสียบขนส่งเยอะมากเลยก็ต้องจัดระบบตัวเองใช่ไหมครับมันก็จะไม่เมาหมัดแต่จะเป็นหมัดเมาชัดไหมครับ เป็นตัวอย่างนะครับว่าเดี๋ยวถ้าตอนบ่ายเราลองแบ่งกลุ่มแล้วก็ลองมาเสนอว่าฐานงานของแต่ละกลุ่มเนี่ยคิดของตัวเองแต่เนี้ยคิดบนฐานของโลงสีเห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปคิดบนฐานตัวเองว่ า, าวันหนึ่งเนี่ยจะทําให้ชัดยังไงในการหนุนช่วยลงสีเพราะลงสีเป็นภารกิจหลักของอโศกหรือเพราธิรธ า, านีก็จเพราะว่าคําว่าแสนตันค่อยๆเพิ่มจากพันเป็นสองพ ถ้าเดี๋ยวสักพักถ้าพอท่านบอกเอาแสนตันเหมือนผมนะครับตอนมี5้าพล้านเจจังหวัด800รกว่าอำเภอ8ปดพัตำบลผมก็เหนื่อยมากครับแต่มันค่อยเพิ่มแต่เรามีเวลาสปีถ้าพ่อท่านบอกว่ากี่ปีไม่รู้ถ้าเราบอกว่า10ปีเราก็ต้องเร่งตัวเราทำทำเข็มไม้อันนี้ยังไม่ได้ทำนะครับต้องรองคณะกรรมการชุดนู้นน่ะไอเข็มไม้ใหญ่อ่ะแสนถ้าบอกว่าแสนตนันเป็นเป้าทุกคนก็เอาแบ่งกันไปจะทํากี่ปีถ้าพ่อท่านบอกว่าแสนตัน ทุกคนต้องรับนโยบายท่านไปก็ไปเคลียกันว่าฝ่ายสื่อจะทํายังไงจะรุกจะตลาดยังไงให้เร็วตลาดเร่งเร่งโดยก็เสือสิงหาพอเพชรบอกว่าต้องลุกสิงหาเพื่อเพื่อเอาข้าวออกข้าสารออกไปเข้าเปิดอกมจะเข้ามาแทนที่ลงสีก็หมุนใช่ไหมครับงั้นไอ้นี้คําว่าแสนที่มีหลายท่านบอกว่ามันจะค่อยค่ขึ้นมันไม่ใช่ขึ้นเลยมันใช้อยู่แต่มันไม่ลู้กี่ขั้นก็จะได้แสนอันนี้แค่แสนนะั้นแล้วถ้าชาวนานบอกว่าชาวนานกำลังเดือดร้อนอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง แสนตันนี้ก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับเันขึ้นจากทันตันเอาวันนี้บอกว่าทําได้8 84ตันประมาณ8 80ตันแต่แสนตันแค80ตัน <c oughs> นะครับก็กกค่อยๆขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องปรับตัวเห็นคลื่นนะคลื่นของงานของกระสอกเองแล้วก็ก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแทบตรงนี้ก็ต้องขยายขึ้นขยายขึ้นตรงนี้ก็ต้องขยายขยายขึ้นเห็นเห็นพรานไหมครับเพราะฉะนั้น ต่อไปทุกคนก็จัดสลับกันวิเคราะห์แบบนี้ครับแยกแยะถ้าพูดภาษาว่าแยกแยะแล้วก็เชื่อมโยงอันนี้คือการสุดท้ายเราต้องเชื่อมโยงหเห็นว่าเราอยู่ตรงไหนถ้าทุกคนมองไม่เห็นภาพตัวเองก็จะหลุดออกไปฉันทำวิชันฉันเป็นพระเอกฉันไม่รู้ว่าคุณทําอะไรเรื่องของคุณใช่ไหมครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดแล้วนี่คือนา ม, มาทําของเราใช่ไหมครับก็หวังว่าตอนบ่ายออตอนบ่ายใช่ไหมครับเท้าคงไม่ะตอนบ่ายก็ ลองแบ่งกลุงมักชุว ม, มงคุยต่อว่าเอ๊ะที่เสนอเสนอไปชิมรางเมื่อเช้าเนี่ยจะจัดระบบตัวยังไงเสริมภารกิจหลักของเราคือแสนตันไม่ใช่ลงสีหรอกคือแสนตันแล้วแสนตันเราพบไหมครับว่าจะได้มาของดีได้อย่างไรคือตัวไหนครับต้นทางของเราชาวนาซึ่งอยู่นอกกระสอกนะครับไม่ใช่ในายกระสกเท่านั้ น, นเพราะแสนตันเนี่ยบอกนาแก่นี้ได้ซักร้อยตันก็เก่งแล้วใครจะใครจะปลูกนาเพราะแสนตันเราจะ คือเขาเขามีข้าวอยู่แล้วเขาสารแต่ว่าถ้าเราหวังว่าในอนาคตเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องความชื้นเรื่องย่าเรื่องรถไถเนี่ยก็หมายความเราต้องรูกออกไปลุกอย่างไรก็อย่างที่คุยกันมาเพราะฉะนั้นพาราแสนตัดก็หมายถึงภาระของการทำให้ข้าวเป็นอย่างที่เราพูดกันก็ต้องออกไปรูกข้างนอกใช่ไหมครับซึ่งก็คุณลุงก็ก็เหมือนผมเดินกระโปกระเพกแล้วก็จะออกไปลุกเนี่ยจะใส่อะไร เป้าใหญ่ขึ้นคนของเราน้อยลงสูงวัยมากขึ้นนี่โจทย์ก็เพราะเรื่องกําลังคนกลับมาขณะที่กําลังคนเนี่ยวันนี้ได้บทเรียนไหมครับกำลังคนใช่ญาติธรรมเท่านั้นไหมคนในอนาคตกําลังคนของเราเปจะต้องเป็นคนกําลังคนด้านปัญญาด้านความเชี่ยวชาญด้านช่างด้านการตลาดอย่างประธานหอการค้าโคราชหม้ไหมครับคนของเราจะต้องเปลี่ยนไปเพอะเปลี่ยนที่จะเปลี่ยนยังไงก็มีแค่นี้อะ ก็ต้องคิดหากลยุทธ์ว่าจะสร้างคนเนี่ยจะสร้างคนไปอยู่ไปอยู่ย่งนีเจ้าชาวเมืองให้มาร่วมยังไงนะครับจะเอาชาวเมืองมาร่วมในแนอสูศอย่างไรมาร่วมในชาวนายอย่างไรแล้วเขาจะได้เป็นแนวร่วมเราต้องหากลยุทธ์ทั้งนั้นใช่ไหมครับเพราะไม่งั้นพวกเราแค่นี้ทําแสนตันไม่ไหวแล้วครับใช่ไหมก็ต้องคลี่คลายไอ้วงกลมนั้นให้ออกมาอีกชั้นหนึ่งถึงในอนาคตแต่ตอนนี้เอาแค่ คลี่คลายตัวเองกลุ่มเล็กๆก็คลี่คลายออกไปกลุ่มร้อยก็ร้อยไปชัดไหมครับก็ของขอ ง, ของจบกนณีครับขอเจริญธรรมครับแล้วขออภัยถ้ามีการล่วงเกินจากผมนะครับ